จะให้โยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบโดยเฉพาะเราได้ยินเราได้คนหูดิ่ตึงก็ไม่ได้ยินเย็นหนังโยใจมั่นใจไม่นใจไม่จะแนวแน่วัวใ น, ใ, นใจจริงจิเจตใจนั้นจึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอันการตั้งจิตเจตนา ให้มั่นลงไปในจิตใจของตนนั้นจงพากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบร ม, มา ศ, าศาสตาจารย์ของเราทั้งหลายในวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ดดาบเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งตั้งจิตตั้งใจจริงๆด้วย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 จะให้สุดผืนแผ่นดินไม่ได้เดินไปก็ตายเปล่าเป่าไม่มีที่สุดจะเดินมากลับมาข้างหลังก็ไม่มีที่สุดที่สุดของโลกไม่มีความคิดความนึกที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของเรานี่ก็อย่าไปตามมันไปตามไปแล้วก็ไม่สุดไม่สิน้น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 นับจากได้รัตพยากรจากสัมมาสัมพุธทธเจ้าทีปังก่อนมามาถึงลุกขมน ล, ล่มไม้ต้นไม้โถพระองค์กตั้งใจเด็ดขาดอะไรอะไรเอาตายสู้อย่างเดียวมารกิเลสก็ไม่มีทางที่จะมาเสี่ยมสอนให้พระองค์ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีก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 โดยโยที่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตมันหลงลืมคิดนึกไปที่อื่นลมที่เข้าไปนี้ก็แสดงความตายได้เวลาคนเราจะตายลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดเตดขับอย่างไรอย่างหนึ่งลมออกไม่ได้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 คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูที่กายที่ใจของตัวเองเอาให้มัน้ไม่โลยาได้ปล่อยยาได้ลืมสติสติความะระลึกได้ะระลึกได้โยในตัวในกายของตัวเองร่างกายเต็มไปด้วยปุพเพลอยหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง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 ที่โยของใจก็คือตัวตนคนเรานี่แหละแต่ดวงจิตดวงใจจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นธาตุร่างกายที่เรามองเห็นนี่อันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งเซดิ น, น้ำไฟลมมีแล้วจิตใจก็มาอาศัยอยู่ การจิตใจมาอาศัยนี้ก็มาอาศัยโยตั้งแต่เรามาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่โยในในท้องแม่นน่นมาจนเกิดออกมาจนคลอดออกมามาดิ้นรนวุนว่นวายอยู่ในร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยชาลาพยาธินี้ตลอดกาล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 ไม่ให้ใจเลื่อนลอยใจปักมั่นลงไปแล้วว่าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจออกลํำเลึกโยภายในนี่แหละคำว่าปัญญาความรอบรล้ในกองสังขารสังขารอันเป็นธาตุดินได้แก่ผมขนและฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อนเนก็เป็นสังขารธาตุดินธาตุน้ำเพชตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลตุภพอหน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันค้นอัศโณม์ตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละศีกาน้ำไขข้อมดตังน้ำโมด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 ปล่อยให้กิเลสความโกรธมาทับโสมน้ัมใจปล่อยให้กิเลสความโลภตัณหามาทับโสมจิตใจปล่อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสกามวัตถุกรรมมาทับโสมจิตใจจนกระทั่งยกจิตใจขึ้นมาไม่ได้จิตใจก็เบื่อหน่ายคลายจากการทําคุณงามความดี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 หมดลมหายใจมันก็แข็งกระด้างเจี ก, ก่อนทักหนึ่งห้าเก็บไว้สองสามวันทิ้งไว้ดูทีมันจะพองขึ้นมาแล้ะเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็จะแตกไหลออกมามันมั่นคงถาวรที่ไหนมันเน่าอย่างนั้นมันดีอย่างไร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 พระพุทธเจา้าพระองค์จึงท่งส่องตัดว่านามรูปังอะนิจเจ้านามหมายถึงจิตใจแล้วว่านามรูปังนามและโลกไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนถ้ามันเที่ยงก็มานอนอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนกน็นอนอยู่นั้นจนกระทั่งตายได้ไหมมันนอนไม่ได้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 ไม่ได้มามันไปไหนก็หมดลมหายใจก็ไปสู่ป่าเหลป่าช้าไม่ได้มาพระเนนก็ไม่ได้กลับวัดกลับไปพ่นละที่เผาไฟผังดินนี่แหละร่างกายสังขารอันนี้เราจะมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเราเยึดของของกูอยู่ตลอดเวลามันยึดได้ที่ไหน จงเทียนเพ่งดูด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้ทั้งหยาบทั้งละเอียดต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราความจริงก็คือว่าสากอสุภกรรมฐานสากถีเด็บ ที่มันยังไม่ตายก็เรียกว่าเป็นซากผีเด็ดซากผีเด็ดนี่มันอยู่เข้ามันนานเข้าแล้วก็เป็นซากผีตายซากผีตายนี่แหละเมื่อมันตายแล้วแต่ไม่มีใครเผาผีกระโดกตายที่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั้นแหละกระโดกเมื่อหนังมางสังมันเน่าเปื่อยกินเน่ากินเหม็นมันก็เต็มอยู่ใน น, นั้นผลที่สด กระดู ก, ก็ฝังลงไปในดินเห็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละทำไมไม่รล้คือว่าไม่ได้อปปนะเยกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามานีแต่ส่งจิตส่งใจออกไปไม่ได้มากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบ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 ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เขาก็ตายอยู่แต่มันหลายมันกว้างออกไปไม่ได้เห็นแต่เราภาวานานั้นให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อมันเห็นจริงๆแล้วความว่าเววิตกวิจารณ์ต่างๆมันก็หายไป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 ลมหายใจออกมาก็พุโทโธเอาให้จิตมันมองให้มันเห็นแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้เมื่อทำให้แจ้งในสติปัญญาของตัวเองความลูกความจลลาดความสามารถอาจาหารก็ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เอาสติปัญญามาจากที่อื่น เกิดขึ้นมาในกายในจิตของเราที่เรากิน น, นิจทีจรนาโยนิจเองเหมือนบุคคลเขาทำโอกฝังอะไรขึ้นมาทำสวนทำนาทำอะไรก็ตามเขาก็โอกลงไปในผืนแผ่นดินเมื่อรักษาให้ดีไม่ให้ต้นไม้เข้ากล้านั้นเกิดเสียหายผลมันก็เกิดขึ้นมา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 พระองค์ปลอดเบนายสัตว์ทั้งหลายอยู่สี่สิบห้าปีพระองค์ไม่มีความท้อถอยประการใดจนอายุแปดสิบปีบอดีโบลพระองค์ก็ดับขันเข้าโซนะหรือผ่านไปเมื่อจิตใจถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างชาวเราทั้งหลาย พราอจิตใจท่านพ้นไปแล้วเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์าอายตนะทั้งหลายมันไปจากตัวเราทุกคนนั่นพุทโธอยู่ที่นี่ธัมโมอยู่ที่นี่สังโฆอยู่ที่นี้อยที่ใจของเราทุกคนไม่ชะโยที่อื่น จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีพลังงานอันสามารถอาจหารไม่ให้จิตใจมันพ่อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ไม่ได้ใครจะไปหลบหลี่ความแก่ความเจ็บความไข้ความตายได้ไม่มีเป็นสัตว์ก็ต้องตายในเพศสัตว์เป็นคนก็ต้องตายในเพศคนเป็นหญิงก็ต้องตายได้เป็นชายก็ตายได้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 ผูกมัดลัดลึงให้เวียนไหวตายเกิดนอนในท้องแม่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วเกิดมาแล้วก็ยังอยากจะนอนออีกก็คือว่าความลุ่มหลงมัวเมาในใจอันนี้มันไม่สางสาลงไปได้เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาคาโยแค่ความตาย เมื่อพระพุทธเจ้าจะนั่งภาว น, นาใต้ลุกกโมลล่มไม้ต้นไมโพนั้นพระองค์มาละลึกได้ว่าจะต้องสละชีวิตลงไปมันจะตายก็ให้ตายโยทินีไม่ไปตายที่อื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นเ็ตใจมันก็กล้าขึ้นมา ความาทอดแพ้อ่อนแอก็ไม่มีจิตใจพระองค์ก็สงบประงับตั้งมั่นเที่ยงกรงคงที่หนักแน่นเหมือนกระแผ่นดินแผ่นดินหนักแน่นอย่างไรเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีความหนักแน่นเหมือนพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินเหตุนั้นเราทุกโรคทุกนามทุกตัวตนคนเราย่าได้มีความทอถอย ตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตจตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองรอยี่สิบเจ็ดของตนให้เจริญก้าหน้าลดหน้าไปนีเป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิชาความรู้ในทางธรรมปฏิบัติ แล้วเราทุกคนก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมโภลนด้วยกาละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชันตุสภะโลโควินาชตตมาเตภวัตวันตราโย ο. สุิีเทคายุกโกภะวะอภิวาทานาชิริธสนธิจังวุธาปัจจายโนจะตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนโศขังภาลังบัดเนได้เวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิต้องหมายถึงจิตใจด้วยเป็นสมาธิถ้าเรานั่งแต่โลปร่างกายจิตใจไม่อยู่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่เห็นกองทุกข์ในโลกนี้ก็ชื่อว่านั่งได้แต่โลปร่างกายใจยังไม่ได้นั่ง ต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจแผงโด่ังกายสำคาญของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาตลอดศีสัดปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท่าตะจะปริยันโต มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดหลอ่อการภาวนานั้นให้จิตใจโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลออเพราะว่าหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบนี่เป็นพระกรรมฐานตัวสำคัญ หนังที่หุมร่างกายของคนเราอยู่นี่ป้องกันชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งถ้าอะไรมาถูกมาต่ำเข้าจนเลือดออกหรืออะไรต่อมีอะไรเิียกรลมิการไปหนังหุมห่อรักษาเลือดไม่ได้เลือดจะไหลออก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 จึงให้ภากันตั้งใจภาวนาเพียนเพ่งมองให้เห็นแล้วให้รักษาจิตใจให้อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกจึงจะเข้าใจลมกับลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นความตายท้งตัวเราและบุคคลผู้อื่นก็เหมือนเหมือนกัน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 แั่นั้นมลนะภัยคือความตายยาภาการประมาทประมาทไม่ได้เวลามลนะคือความตายมาถึงเข้าจิตมันก็พุ่งซานวุ่นวายเพราะจิตมันหลงสำคัญผิดคิดว่า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 ก็อยไม่ได้ถ้าน้าเสียไปก็อยไม่ได้ถ้าไฟไม่มีรองร่างกายไม่มีความอบอุน่นมีแต่เย็นอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ถ้าดินน้ำไฟลมมันรวมกันเข้ายัางสามัคคีปลองดองกันอยู่ อยู่ตามธาตุที่มันอยู่ดีสบายนั่นแหะจึงอย่ามานิ่งนอนใจว่าเรายังดเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่เวลาความตายมาถึงเข้าไม่ว่าคนแกช่ชราไม่ว่าคนหนุ่มแข็งแรงไม่มีใครที่จะมาต้านทานได้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 เพราะชิงเหล่านี้มันรอรอความตายอยู่ทุกเวลารอท่าความเจ็บอยู่ทุกเวลารอท่าความแก่อยู่ทุกเวลามันรอระยะอยู่เท่านั้นเองมะระนังเมภาวิสติจงพาการเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง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 กระทบโลกเสียงกิ่นรถพอทธะธรรมลามก็ให้ทันสงบตั้งมั่นให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนไปในที่ต่างๆเลีย ว, ว่าทุกลมหายใจพร้อมอยู่เสมอภาวนาไม่ให้ขาดแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยมีกำลังมีความสงบระงับ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 พระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรระประสงค์เป็นสรระเนกได้เจริญได้ทางนั้นหละว่าแต่ให้มีสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อใดเรียก ว, ว่าเป็นผู้ประมาทเมื่อความประมาทมีโยความหลงก็ทับผมหัวใจ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 ดังสแสดงมาก็ส้มควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพิติโยวิวัตชนตุสัพพโลโควินัสโตมาเตภวัตตวันตราโยสกิติคายยโกภวะ อาทิวาธานาเีรสนิจังบุตธาปจายโนจ ต, ตารโอธรรมาวทันติอายุวันโอโส ข, ขังพาลัง